ทีมอตรวจมอบอกว่ารอบสองไม่ต้องสอนหรอกบอกน้าฟังดีนะบอกไม่ได้หรอกต้องตรวจกันบ้านพวกมาอยู่วัดพรุ่งนี้ต้องไปมศออทพระป่วยนะลาป่วยยากนะสงสารตาแป๋ว แต่หลวงพ่อสอนพวกเราไม่ได้สอนให้ติดหลวงพ่อนะสอนให้รู้หลักของการปฏิบัติใลช่วยตัวเองให้ได้ไม่ใช่หวังพึ่งคนอื่นบทีถามหลวงพ่อไม่ได้ก็เที่ยวถามใครต่อใครสเปซ ส, สปานะ่มั่วไปหมดนะไม่ใช่เขาไม่ดีแต่ว่าการปฏิบัติมันทางใครทางมัน ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ทำมาทางไหนก็จะสอนแบบนั้นแต่หลวงพ่อที่สอนพวกเราสอนหลักสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงจเจริญปัญญาทำไงส่วนจะไปใช้กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่จริตนิสยัยกรรมฐานมีตั้งเยอะแยะนี่ถ้าเราไปเรียน อย่างเราเหมาะกับอนาปนาสติจริตเราหมอนะเราไปเข้าสํานักที่เขาทําอย่างอื่นขยับมืออะไรอเงี้ยมันสับสนไปหมดหรือเหมาะกับการบริกรรมพุโทโธสัมมา ร, ระหังอะไรเงี้ยให้ไปทำอย่างอื่นมันไม่ถูกจริตเหรือนแทนที่จะยิ่งเรียน หลายที่จะรู้เรื่องมากขึ้นมันจะยิ่งสับสนั้นอย่างพวกเรานะฟังหลวงพ่อแล้วเนี่ยตั้งใจปฏิบัติไปถ้าไม่ได้ถามหลวงพ่อไปถามพระอาจารย์สีดีนะมีนะนะมีทุกคำตอบรับรองเลยเพียงพอที่จะพ้นทุกนะวิธี ที่หาคำตอบไม่ยากอะไรขั้นแรกตั้งนโมก่อนสามจบคิดถึงพระพุทธเจ้าอธิษฐานเอาขอให้เจอคำตอบแล้วก็ไปสุ่มเปิดซีเดียวนะไหนก็ได้เพราะจริงๆแล้วทุ ก, กันเหมือนกันหมดเทศกี่วันก็เทศเรื่องเดิมนั่นแหละหพ่อถึงบอกอันไหนก็ได้ฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไหม แค่พระเดินมาใจก็วิ่งตามพระไปแล้วจ่คอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปนะบางคนบอกเฮ้ยทาไมหลวงพ่อบอกอย่ไปเที่ยววัดโน้นวัดนี้ไปเรื่อยๆในขณะที่หลวงพ่อไปสมัยก่อนนะแต่เดิมหลวงพ่อไม่ได้ไปหลวงพ่อเดินกับหลวงปู่ดูนก็คือหลวงปู่ดูลน เรียนผ่านไปเจ็ดเดือนหลวงพูดูลท่านบอกว่ารู้หลักแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วเข้าใจแล้วพอท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็ออกไปดูว่าคนอื่นเขาภาวนากันยังไงหาประสบการณ์แต่ไม่ได้ไปภาวนาตามคนอื่นไปเข้าสำนักที่ครูบาอาจารย์สอนพุทโธ พ, พิยนักกายเขาไปดูเขาภาวนาหรือเขาก็ดีของเขาอะไรอย่างเี้ ไปที่น้นก็เรื่องกายที่นี่ก็เรื่องกายสายท่านพุทธะก็าอานาปณะสติก็กายพองยุบก็กายโกเอนกาเขาดูกา ย, ยดูเวทนาในกายพระป่าครูบาอาจารย์วัดป่าเขาพุดโธพิจารณักกายมิตรกายทั้งนั้นเลยเราเป็นจิตหลงไปอยู่คนเดียวเข้าสำนักโน้นสํานักนี้แต่ไม่หลงไม่เก๋ บางทีก็ไปถามไปบางสำนักอยากรู้ว่าเขาพอนางไงได้ยินว่าอาจารย์สำนักนี้เขาเดินจงกรมคุณยายเขาเดินจงกรมก็ไปหาคุณยายบอกคุณยายครับเดินให้ผมดูหน่อยคุณยายไม่ได้หรอกต้องอธิบายก่อนเราก็น่าเดินสักเก้าเดียวก็พอแล้วครับ ไม่ได้ไม่ได้เธอจะมนรู้เรื่องได้ไงลหลวงพ่ออดทนนะเพื่อจะแลกกันหนึ่งเก้าของแกฟังนานมากเลยฟังจนเมื่อยแล้วเมื่อยอีกเอาละต่อไปนี้เรียนทฤษฎีแล้วยายจะพาเดินแล้วนี่นะทำมืออย่างนี้นะก้าวขายอย่างนี้คุณยายเดินเลยเดินเลยไม่ต้องบรรยายนะสุดท้ายไม่สาเร็จ คุณยายเดินท่องแดงนี่อย่างงี้อย่างนี้เราถอดใจแล้วเราขอดูก้าวเดียวแท่านั้นแหะว่าที่เดินจริงๆมันก็เดินยังไงไม่ใช่บรรยายเสร็จแล้วสุดท้ายก็เลยบอกคุณยายครับเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วอยู่กับคุณยายเกือบสองชั่วโมงแล้วไม่ได้อะไรยายอ้าจะกลับแล้วเหรอกลับแล้วคุณยายก็เดินมาส่ง เดินก้าแรกเราก็รู้แล้วว่าคุณยายภาวนาแบบไหนนะคุณยายกำหนดไปเรื่อยๆเพง่งยังเพ่งอยู่เนะี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องกายสุดท้ายทนไม่ได้ไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนได้ยินครูบาอาจารย์สอนแต่กายไม่มีใครสอนจิตสักคนเลยนะสักองผมจะต้องย้อนไปดูกายไหม หลวงปู่มองหลวงพ่อด้วยสายตาที่สังเวชนะเรารู้เลยว่ามองแบบสังเวชนะสุดท้ายท่านก็บอกบอกว่าเมื่อมาถึงจิตแล้วจะไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนะที่เขาเริ่มดูจากกายนะียเพราะเขาดูจิตไม่ไดนะ้งั้นดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ถึงจะดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะไม่มีคำว่าไม่ทำเลยนะไม่มีคำว่าทำไม่ได้ไม่ต้องทำไม่มีดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะหลักที่ครูบาอาจารย์สอนมาไม่มีที่บอกว่าไม่ต้องทำหรอกนั่งนั่งนอนนอนแล้วก็บรรลุเพ้อฝัน นั่งนงนอนนอนมันรู้อะไรมันรู้โมหะจะไปอบายเอานะอยากนั่งกินนอนกินมีอยู่ตัวนะนอนกินพวกงูพวกเฮ่พวกเลื้กลานนอนอยู่กับพื้นกินงั้นเรียนหลักนะเครื่องมือในการปฏิบัติมีสองตัวสติ การสมาสมาธิสติหลวงพ่อพไม่ได้ใช้คําว่าสัมมาสติสติมันดีอยู่ในตัวของมันเองล ะ, ะแต่สมาธิต้องย้ําว่าสัมมาสมาธิเพราะสมาธิที่เป็นมิจฉาเนี่ยเยอะมากเลยช่วงที่ตระเวนออกไปดูสํานักต่างๆเพราะว่าเกือบร้อยละร้อยที่ทําสมาธิคือมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาน คนที่ภาวนามันถึงมีน้อยนะอย่างหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติไม่เจอท่านเป็นสิบปีนะไปเจอท่านนะบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกท่านจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกคนนั่งสมาธิเดินจงกรมมีมากนะแต่นักปฏิบัติจริงๆมีไม่มากนั่งสมาธิเดินจงกรมมันเป็นเปลือกเป็นรูปแบบเท่านั้นเอง จุดสำคัญคือมีสติไหมมีสมาธิที่ถูกต้องไหมสติเป็นตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจสมาธิเป็นความตั้งมั่นทําให้จิตเนี่ยเปลี่ยนจากผู้แสดงมาเป็นผู้ดูจิตแทนที่เป็นผู้แสดงนะก็มาเป็นผู้ดูดูอะไรดูกายเวทนาจิตทำทำงานเห็นสภาวะทั้งหลายทํางาน ถ้าเราไม่มีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูภาวนาไม่ไหวหรอกที่ทำแทบลม้มแทบตายกันหลายหลายปีมันไม่ได้หลักพระเคยถามหลวงพ่อนะพระอุปถาครูบาอาจารยนะ์เคยถามมโยมภาวนายัางไงปีหนึ่งเหมือนพระทำสิบปีปยี่สิบปียังไม่เท่านี้นะ ผมทำตั้งแต่ตื่นท่านฟังก็นึว่าเราเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นไม่ใช่เราตื่นมาด้วยความมีสติมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นร่างกายมันนอนอยู่เห็นจิตมันขึ้นมาจากฝ่าวางทีแรกมาเห็นจิตก่อนนะแล้วค่อยเห็นกายทีหลังจิตมันเคลื่อนขึ้นจากฝ่าวางมีสติเห็นตั้งแต่มันขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมานะรับรู้ความรู้สึก เสร็จแล้วมันเปิดสวิตช์อันที่สองมันขยายความรู้สึกออกไปกระทบร่างกายก็ปรากฏถึงความมีอยู่ของร่างกายเนี่ยมันทำงานอย่างนี้นะมองเห็นท้านแต่ตื่นรวมความอือภาวนาทแทบทั้งวันนั่นแหละยกเว้นตอนทำงานที่ต้องคิดแล้วทำไมมันจะไม่เร็ว่ะทำถูกอะ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปไม่ได้ไปบังคับจิตให้นิ่งเคยทำผิดอยู่สามเดือนไปฝึกให้จิตนิ่งเฝ้าจิตไปหลวงปู่ดูลบอกทำผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตจิต มีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเขาก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งจะ ไ, ไปแทรกแซงให้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งใช้ไม่ได้นะมีนะลูกศิษย์หลวงปู ด, ดูลนะบางคนแล้วก็ไปสอนนะว่าไม่ต้องคิดทําจิตให้ว่างไม่ต้องคิดอันนี้ยหลวงพ่อโดนโหลวงพู ด, ดูลเล่นงานมาแล้วเนะี่ยทาจิตว่างๆผิดนะหลวงปู่มั่นบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉวยว่างๆเฉยๆงี่เง่า ปล่อยให้มันทำงานมล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงมันถึงจะเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทำอะไรไม่ได้ก็คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆมันโลบโรธหลงอะไรขึ้นมาก็รู้หรือดูได้เร็วขึ้นก็เห็นมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันเฉยๆก็รู้ดูไปอย่างนี้แหละต่อไปสติเราเร็วขึ้นเลยเห็น จิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวก็เกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่ใจก็มีหลายแบบบางดวงก็เป็นจิตผู้รู้บางดวงเป็นจิตผู้เพ่งบางดวงเป็นจิตผู้หลงจิตเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปท้ายปัญญามันแทงตลอดลงมาที่จิตดวงเดียวนี่อย่างเราภาวนาเราเห็นร่างกายไม่ใช่เรา เวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ใช่เราสังขารความดีความชั่วโลภโกรดลงไม่ใช่เราแค่นี้ยังไม่พอไอจิตที่เป็นคนดูยังเป็นเราอยู่เรียกว่าไม่ผ่านนะถ้าเห็นว่ากระทั่งจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เรานะี่็จะเป็นพระโสดาบันแนละ้เห็นจิตไม่ใช่เราเนะี่ยขันห้ามันเป็นผลผลิตของจิตมันจะไม่ใช่เรา โลกทั้งโลกซึ่งมันปรากฏขึ้นมาด้วยขันห้าอายตนาหกนี่ยมันก็จะไม่เป็นเราไปด้วยแล้วภาวนาไปเรื่อยๆก็จะเห็นางกายนี่เป็นตัวทุกข์จิต ท, ที่ไม่ยึดกายที่ไม่ยึดกามตัวกายนี่แหละเป็นสนามของกามพอเห็นความจริงของกายก็พ้นจากกาม จิตถ้าหลุดออกจากกามปาวจรนะขึ้นรูปปาวจรหนระืรูปาวจรไปไปเป็นพรหมไม่ง่ายนะกามเป็นเครื่องดึงดุดสัตว์เอาไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุดเลยสุดๆเลยสู้ยากกามไม่ใช่เรื่องเซ็กนะเป็นการติดใจในรูปในเสียในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายอะไรเป็นกาม กิเลสนั่นแหละกิเลสกามตัวราคะอะไรเป็นที่ตั้งของกามรูปเสียงจินรสัมผัสทางกายนั่นแหละเป็นที่ตั้งของมันงั้นพระอนาคามีท่านก็เห็นรูปเหมือนที่เราเห็นได้ยินเสียงเหมือนที่เราได้ยินแต่จิตท่านไม่เข้าไปจับท่านไม่มีกิเลสกามงั้นตัวแตกหักอยู่ที่จิตนี่เอง ค่อยภาวนาไปนะสุดท้ายมัรวมลงที่จิตผู้รู้นี่เองแตกหักกันที่จิตผู้รู้นี่เองเห็นความจริงของจิตผู้รู้จิตผู้รู้เองเกิดแล้วก็ดับอันนี้ก็หลุดพ้นด้วยอั น, นิมิตตาวิโมกถ้าเห็นว่าจิตผู้รู้เนี่ยถูกบีบคั้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยอปะนิหิตตาวิโมกถ้าเห็นว่าจิตผู้รู้ไม่มีเจ้าของ หลุดพ้นด้วยสุญญตาวิโมก์หลุดพ้นด้วยอันแดนหนึ่งเราไม่ต้องเลือกจิตมันเลือกเองเราก็ดูกายดูใจมันทำงานไปนะถึงว่าเนื่าพ้นทุกข์เอาส่งกันบ้านพวกอยู่วัดพวกยังไม่ได้อยู่วัดก็ไปส่งกับผู้ช่วยสอนนะหลวงพ่อไม่มีเสียงไม่มีแรง มรดกการหลงพ่อค่ะคือมันขอคาแนะนําหลงพ่อค่ะพอรู้กันรู้ทันจิตนะคะกใหมาอย่างนี้รู้ทันจิตเหมือนไหมเพราว่าเราจิตเราไหลไปอย่างนี้ค่ะมันต้องรู้ทันทันขณะนั้นเลยหรือเปล่าคะบางทีมันมันไปตั้งนาแล้วมันจะรู้ทันนะไปก่อนแล้วรู้แต่อย่าให้นานนักมันน่าเกลียดบางทีความคิดมันมาก่อนที่จะรู้ทันถูกแล้ว ต้องอาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดปล่อยให้จิตมันคิดไปพอมันคิดแล้วจิตหลงไปอยู่ในความคิดมีสติรู้ทันจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นงั้นตอนรู้ไม่ได้คิดตอนคิดไม่ได้รู้แต่จะได้ตัวรู้มาเนี่ยอาศัยจิตคิดใหญ่คิดเป็นวันแล้วไม่รู้ก็แล้วกันยังติดการประคองจิตให้นิ่งนะ เดี๋ยวประคองชิตเฉยเฉยยซึมกระทืบไปปล่อยให้เขาทำงานนํำส ก, กัดหลวงพ่อครับผมจิตออกนอกรู้ไหมจิตเป็นเจ้าออกไปข้างนอกนะให้รู้ทันหายใจไว้แต่ไม่ดึงจิตคืนนะหายใจไปเรารู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันกลับเองถ้าดึงคืนมันจะแน่นนะว่าไงว่าไปวันนี้เห็นจิตได้ไวขึ้น แต่ว่าเมื่อวานจะเห็นความกลัวชัดอยู่ประมาณครั้งหรือสองครั้งครับกลัวอะไรอะ่ะเมื่อคืนเห็นตุ๊กแกครับหลวงพ่อคุณตุ๊กแกครับบางคนเขาเจอตุแกแกน้ำไหลไหลอันนี้จะเห็นชัดๆคือตอนที่รู้สึกตกใจอันนี้จะเห็นครับหลวงพ่อครับคุณแม่น่ะเป็นผู้ยิ่งผู้หญิงคุณแม่แม่เชีย ท่านเป็นโยมก็กลัวตุ๊กแกนะแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อพชี้ให้ดูบอกตุ๊กแกเนี่ยดูสิมันน่าสงสารนะตัวออกโ ต, ตที่วิ่งไปวิ่งมากินมแมลงเล็กๆตัวหนึ่งกว่าจะได้กินนะีวิ่งไปวิ่งมาเนหนื่อยมากเลยนะน่าสงสารแล้วถ้ามันเผลอนะแมวก็มาจับตัวอื่นก็มาจับมันคุณแม่เกิดความเมตตาขึ้นมาตั้งแต่นนะั้นไม่กลัวตุ๊กแก เพราะความกลัวเป็นโทสะศัตรูของความกลัวนะตัวเมตตาเนี่นะศัตรูของโทสะถ้าเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาเราไม่กลัวลวนะวันนี้ไปดูตุ๊กแกนะอยู่ตรงไหนก็ไปดูไปดูใกล้ๆไปดูให้เห็นว่าเขาน่ารักนะเพราะน่าสงสารล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องกลัวมันรับกับพระคุณขับกั บ, บ, บพ่อกลัวผีไหมนิดหนึ่งครับ ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะนะผีน่เยอะแต่เรามากลัวไม่เยอะก็ดีแล้วอ๋อก็ภาวนาในรูปแบบเป็นประจําเป็นกิจวัตรเจ้าค่ะก็รู้สึกว่ามันมีกําลังขึ้นเจ้ายังประคองจิตอยู่รู้สึกไหมเจ้าค่ะเออรู้แล้วก็ผ่านตื่นเต้นมากรู้สึกไหมหัวใจจะบายแล้วกลัวจะติดเท่งนะเจ้าค่ะอย่ากลัวเลยยังไงก็ติด ติดแล้วรู้เอาก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธเวลาจิตเคลื่อนก็รู้อยู่แต่ว่าบางทีก็เหมือนจะเหมือนจะติดเพ่งเพ่งไว้ก่อนการภาวนาอยู่ๆจะไม่เพ่งไม่ได้นะมันจะไม่ทำอะไรเลยเบื้องต้นเราต้องเพ่งไว้ก่อนแล้ว ร, รู้ว่าเพ่งแล้วค่อยคลายออกทีหลังเบื้องต้นจะเอให้พอดีมันจะย่อหย่อนไม่แปลกนะเพ่งไว้ก่อน เรารู้ไว้เพลงน้วมันก็คลายออกชอบเพ่งจริงอะนะแล้วฟุ้งนะถ้าไม่เพ่งยิ่งฟุ้งกว่านี้อีกค่ ะ, ะเวลาหนูนั่งพุดโทงอยงค่ะหนูจะชอบแบบฟุ้งเก่งอะคะ่ะชอบแบบเวลามีเรื่องไม่สบายใจก็จะคิดวนๆแล้วก็แบบต้องบังคับจิตตัวเองให้มาแบบพูดโทงเลยค่ะแค่หลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงนะ แล้วก็กลับมาพุทโธไม่บังคับจิตเราจิตที่หลงอ่ะดวงหนึ่งจิตที่รู้ก็เป็นอีกดวงหนึ่งคนละดวงกันอย่จิตหลงไปคิดเนี่ยเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นอับปุสสรจิตแล้วเกิดจิตรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้หลงจิตรู้เนี่ยเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปดึงจิตเอที่หลงคืนมานะเอที่หลงแล้วแล้วไปทิ้งมันไปเลยนั้นเราไม่ดึงจิตคืนปล่อยมันไปเลย เพราะว่ามันตายไปแล้วมันเป็นอดีตไปหมดแล้วขณะนี้รู้ขณะนี้ไม่ได้หลงอย่าประคองจิตให้นิ่งขณะนี้ยังควบคุมจิตอยู่รู้สึกไหมปล่อยให้มันทำงานไปนะออมงมาสการ์ค่ะหลวงพ่อปฏิบัติจากซีเดียค่ะยกมายอย่างนี้จะยินโทรศัพท์จะยินโทรศแรงมากเลยค่ะหลวคือเวลาคิดป๊บ แล้วมันมนมีความโกรธอะค่ะมันพุ่งเข้ามาในจิตอะกลางเนี้ยเอย่าป็นแล้วทีนี้มันก็ระเบิดปุ๊งออกไปเลยออแล้วมันก็หายไปทางปากว่ะเหมือนมันมีเสียงขึ้นในทางมือแล้วก็ปึ่งออกไปแล้วเโกรธมันก็หายไปเลยอรู้ย่างแล้วก็มีอีกครั้งก็โกดเหมือนกันแล้วมันมันมันขุดมาจากกลางอกใช่ไหมใช่มันขึ้นมาจากกลางอกมันดิ่ n เมันมันจะดันออกมาเ อ, อให้รู้ทันนะอย่าไปห้ามมันแล้วมันก็พอรู้ปุ๊บมันก็นก็หายไปหายไปเลยนั่นแหละดูอย่างนั้นแหะมันเกิดดับกุศลหรื่องกุศลนะสุขทุกข์ทางใจอะไรเนะี่ยผุดขึ้นจากกลางอกนั่นเลยมรรคผลก็ผุดขึ้นตรงกลางอกนี่แหละนะเมื่อเราเห็นสภาวะผุดขึ้นกลา ก, ก็ดีแล้วเห็นถูกแต่อย่าจ้องอ ย, อย่าเฝ้าอยู่ที่กลางอกนะรู้ตัวสบายๆปกติ แล้วมันมีอะไรพุดขึ้นกระโอกเ ค, ค่อยรู้เนะค่ะ <Okay. S 1> วันนี้มีผู้ช่วยสอนที่ไหนบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูนะสิพวกผู้ช่วยสอน <Okay. S 1> เออใช้ได้นะเนี่ยไปดูผู้ช่วยสอนนะคนที่หลวงพ่อไม่ได้มอบเอย่ไปเชื่อฮะบางคนมันแอบมาอยู่ในวัดไม่กล้าเข้ามาให้หลวงพ่อเห็นเราไปซุ่มซุ่มอยู่ นะพอพวกเราออกไปก็เที่ยวทักเลยจิตเป็นยังงอนจิตเป็นอย่างนี้หลอกให้นับถือจิตตัวเองไม่เคยเห็นอ่ะเห็นแต่จิตคนอื่นใช้ไม่ได้นะ่ะอย่าไปโง่เป็นเหยือ่นะอไปแยกย้ายกันไปตามยาถา ก, กรรมนะ